ญาโยนทั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเดือนมิถุนายน2532 <c oughs> ในตอนต้นก็ขอแนะนำเหมือนกันทุกเที่ยวและทุกวันนั่นคือว่าก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะภาวนาและพิจรารณาเริ่มต้นทีเดียวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ไข่โคลนวิปัสนาญาณเบื้องต้นเสร็จก่อนก่อนนี้ภาวนาแล้รวมตรงๆไ ม, มใ่ใจก็ออกน ะ, ะนิพพานญาณเบื้องต้นก็คือใช้ปัญญารู้ไตรลักษณ์เรียกว่าที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นนิปัสนาญาณพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดมนในโลกมันเต็มด้วยความทุกข์โลกมันเป็นนิจังไม่มีความเที่ยง เราจะดูคนก็ดีดูใส่ก็ตามวัตถุท่าก็ตามคนก็ไม่เที่ยงใส่ก็ไม่เที่ยงวัตถุท่าต่างๆก็ไม่เที่ยงสำหรับคนกัสัตว์มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นให้ความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กก็มาเป็นเด็กใหญ่ที่มันไม่เที่ยงจากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาเป็นคนใยกลางคน จา ก, กวัยกลางคนก็มาเป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนตายใ น, นในขณะที่ทรงชีวิตยอยู่การทางร่างกายก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะมีความสมบูรณ์แบบตลอดไ ป, ปเพียวก็มีการป่วยไข้ไม่สบายบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างหิวเกินไปบ้างเพราะความไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ ด้วยความไม่เที่ยงมีอยู่ถ้าเรยึดยังยึดวา่าร่างกายมันจะเที่ยงมันจะทรงตัวด้วยความไม่เที่ยงมีขึ้นทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็เกิดทุกโลกนี้นอกจากจะไม่เที่ยงนั่นเต็มแต่การของความทุกการมีชีวิตในโลกต้องประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เป็นทุกความปรารถนาไม่ค่อยจสมหวังก็เป็นทุกความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็เป็นทุก ในเมื่อเราทุกข์ไม่อยากให้มันไม่เที่ยงแต่มันก็มันก็ไม่เที่ยงก็มันตามปกติในที่สุดมันก็เป็นอนัตตาร่างกายเราทนุถนอมขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องตายสัตว์เราจะทนุถนอมแบบไหนสัตว์เลี้ยงมันก็ต้องตายวัตถุธาตุต่างๆในที่สุดมันก็พังเปนกันหมดรวมความว่าการเวียนว่ายใจเกิดในวัฏฏะเป็นของไม่ดี สิ่งที่ดีที่สุดก็คือนิพพานเราจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรมก็มีการจดติไม่หมดบนวัสนธรามบรมีจุดที่ดีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการปณิพันธ์ <c oughs> ตอนน้อาการปณิพันธ์เขาทำกันอย่างไงตามหลักเกณฑ์ในพุทธศาสนาบนมีสามอย่างคือทานใหม่ชินใหมยภาวนาใม่ บุญสมเด็จการให้ทานการให้ทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเราต้องมีเป็นพื้นฐานใหญ่การรักษาศีลเป็นการกําจัดโทสะความโกรธเราต้องมีการเจริญภาวนาให้เกิดปัญญารู้แจเห็นจริงตามความเป็นจริงเราต้องมีเค <c oughs> รื่องความว่าเราต้องการนิพพานก็ต้องหนึ่งมีทานสองมีศีลสามมีการเจริญภาวนา การเจริญภาวนาถือว่าเป็นดับสูงสุดของบุญในพุทธศาสนาในเวลานี้บรรดา ญ, ญาโยมผู้บริษัททุกคนกําลังตั้งใจเจริญภาวนาการเจริญภาวนาขั้งแรกก่อนที่จะภาวนาขอทุกคนเคารพในศีลก่อนถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลตกบกพร่องอย่างนี้การภาวนาไม่เกิดผล ต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ชาสมาบัติจริงเกิดเรื่การปกป่องของศีลย่องมีป้านเป็นของท่าดาดของแต่ละบคุคคลถ้าเวลาอยู่บ้านก่อนที่จะภาวนาที่ภาวนาก็าสมาทานศีงก่อนเป็นการยับยัง้งถ้าเรามีความรู้สึกว่าจิตที่เรามีศีลอารมณ์จะเป็นสุขในเมื่ออารมณ์เป็นสุขสมาธิมันก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดจิตมีความเยือกเย็นปัญญาก็เกิดตอนนี้วิธีปฏิบัติ ให้มีความเคารพในศีลอันดับแรกกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าขณะใดที่ยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ลมใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นเวลานั้นเชื่อมมีสมาธินานาปานุปติกรรมทาน เป็นสมาธิคําว่าสมาธิมีกำบรรดาญาโยมพระตบริษัจต่อทราบว่าไม่ใช่อารมณ์ทางัดจนลท่านไม่รู้เรื่องภายนอกนั่นเป็นฌานสี่คือไม่มีความจําเป็นให้ถือว่าขนาดใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตก็จะคิดเรื่องอื่นอยู่บ้างจิต ย, ยังคิดได้อย่างนี้เป็นสมาธิเบื้องต้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าธรรมชาติแค่นี้พอแล้ว ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าภาวนาตามสมมติว่าภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกทางวาัฏโธขณะที่ภาวนาอยู่ก็เป็นของธรรมดาทั้งๆ ท, ที่เราตั้งใจจะวควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัว <c oughs> แต่ว่าสภาพของจิตมีสภาพดิ้นรนมันก็ต้องดิ้นไปสู่ห้ารมณ์ภายนอกบ้างแล้วก็เผลอจะคำภาวนาบ้างเผลอจะลมหายใจเข้าออกบ้าง ที่คิดเรื่องราอื่นเข้ามาแทรกนะอันนี้เป็นของธรรมดาถ้ารู้สึกโตเข้ามาก็หันกลับจับใหม่จับลงให้ใจเข้าจะออกจากภาวนาใหม่เริ่มต้นก็มีแค่นี้นะตอนนี้ก็มาว่ากันถึงเบื่องสุดท้ายปลายสุดคือความเป็นพระอริยเจ้าวันนี้ก็จะไม่พูดเรื่องของพระโสดาบันจะพูดเรื่องอย่างต่ํากับพระอนาคามีดีไห ดีไม่ดีดีดีไม่ดีฉันก็พูดนะเรื่องตำาจริงๆก็เป็นพระนาคามีแต่ว่าจะไม่แนะนำในดีล้านการปฏิบัติจะนำพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้นำการนี้วิธีปฏิบัติโดยตรงมาพูดหลับกันแน่ในพระธรรมบทเยอะก่อนมีตำรามาไม่มีเขียนมาสองสามตัว ท่านบอกว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ปเชตวัรรณปเชตวันสวนเจ้าเชตอันนี้เป็นเมืองคาราณสีเวลานั้นปรากฏมีพระประมาณหกสิบรูปเข้าไปศึกษากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าทรงแนะนําตั้งแต่เบื้องต้นยันอรหันต์เรียนเดียวๆนะใช่ไหย เพรว่ายันตั้งแต่เบื้องต้นยันพระละหันเนี่ยดึงกันเดียวเดียวไม่ยากแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนแนะท่านสอนตามวาสนาบา ร, รมีของคนก่อนจะสอนท่านดูก่อนว่าบุคคลคนนี้บุญบา ร, รมีด้านไหนมีหนักด้านไหนท่านสอนด้านนั้นไม่เหมือนกับพวกเราสอนกันสอนแบบเดาพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนําตั้งแต่เบื้องต้นถึงละหันจบพระผู้นั้นก็ลาพระพุทธเจ้าไป ไปที่ตำบลตำบลหนึ่งเป็นป่าเขาเรียกว่ามาติกามาติกาคามมาติบ้านมาติกาคามนี่เป็นบ้านที่ติดกับภูเขาในในข้าบ้านที่ติดภูเขาในที่นั้นก็เข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วเจ้าของหมู่บ้านก็มนบนพระทั้งหกสิองค์ในฉันปัตตาหารเมื่อพระฉันปัตตาหารเสร็จก็มีแม่บ้านชื่อมาติกาได โอ้ oh, ชื่ออร่อยนะเจ้าของบ้านชื่อมาติกาไดดีไม่มาติกือนะเลื <c oughs> ่อนบันไดพอขึ้นได้นะบ้านชื่อมาติกาไดแม่บ้านจริงจริงชื่อมาติกะมาตาเมื่อท่านมารติกามาตายพระฉันเสร็จจึงเข้าไปกราบและถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดจะไปไหนเจ้าค่ะ ถ้าก็บอกว่าจะมาจะไปหาที่สบายเพื่อจะเดินะปกรรมฐานโยมมาติมาติกมาดายก็บอกถามว่าถ้าพระคุณเจ้าจะอยู่แถวนี้จะดีไหมฉันจะมีมนจะขอถวายพัะตาหารตลอดเวลาสามเดือนที่จะพรรษายอยู่แล้วก็จะขอปฏิบัติในพระในพระไตรสรนาคุมด้วยในศิ้นแปคือเรียกว่าโสถศสินด้วย คือหมายความว่าจะสมาทานสินแปะคือโบสถศตัดสตลอดสามเดือนเหมือนกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าประธรรมามพระอริยสงฆ์เรียวไตรันาคมพร <c oughs> ะก็ปรึกษากันคิดว่าถ้าเราอาศัยที่นี่ได้อาหารจากหมู่บ้านนี้เราก็จะมีความสุขจากอาหารก็ยอมรับเมื่อยอมรับเสร็จบรรดาญาโยามพุทธบริษัทก็กลับที่อยู่พระก็นั่งไปชมอยู่ที่นั้น พระตะโงด์ก็ปรบกษากันว่าการมาของเราเนี่ยมาเพื่อเป็นการตากักเล็ดทีเป็นสมุูรเฉลประหารื่อการอยู่การเกิดทันสมัยพระเจ้าเป็นของยากเวลานี่นรกทัง้งใต้คุ้มเปิดประตูรับเราอยู่ <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้ประมาทตาจากครานี้อาจจะไปนรกก็ได้ที่นัน้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปพวกเราทั้งหมดจะไม่อยู่ที่เดียวกัน จะ แ, แยกสถานที่ปฏิบัติเลือกเอาในป่าใครจะเอาตรงไหนใครเหมาะตรงไหนนั่งตรงนั้นเราจะพบกันมีสองเวลาคือหนึ่งเวลาฉันปัตตาหารแล้วก็ตอนเย็นเวลาทำวัดสวดมนต์อาบน้ำทำวัดสวดมนต์เสร็จเราจะพบกันสองเวลาแต่ว่าถ้ามีพระองค์ใดหนึ่งป่วยไข้ไม่สบาย ก็ขอมาให้มาที่ตรงนี้แล้วตีะระฆังขึ้นพวกเราทั้งหมดจะเข้ามาเพื่อปฏิบัติพยาบาลเมื่อตกลงกันตามนั้นแล้วพระต่างองค์ต่างก็เข้าที่ปฏิบัติตามมัตยาใสามาวันหนึ่งตอนบ่ายไม่ใช่เวลาพระจะเข้ามาประชุมกันไม่ใช่เย็นโยมมาติกาขามาตาเนี่ยคนเนี้ยท่านจะให้คนใช้ นำเพสักคืนนมบ้างเลยบ้างน้ำอ้อยมันน้ำตาลบ้างเพื่อจะมาถวายพระขั้นมาถึงที่ประชุมที่เราเรียกว่าสลาเวลานี้เราเรียกว่าสลาก็มองไม่เห็นพระศึกองค์ก็ <c oughs> คิดว่าพระผู้เป็นเจ้าไปไหนั้งหมดก็ดีถามคนที่อยู่ที่นั่นคนที่อยู่ที่นั่นก็บอกว่าบรรดาพระทั้งหลายจะอยู่ที่ประจาปฏิบัติ แต่ว่าจะมาที่ตรงนี้ก็หนึ่งเวลาฉันปตานาสองเวลาเย็นสงน้ำแล้วก็ทำวัดร่วมกันหลังจากนั้นต่างคนต่างแยกกันไปถ้ามีบุคคลใดคนหนึ่งต้องการพบให้ตีระครังขึ้นเมื่อเคาะระครังมีเสียงระคังแล้วพระจะมาไปชุมพร้อมกันโยมก็เลยสั่งคนใช้ให้ตีระครังพอตีระครังเสร็จพระก็ต่างองค์ต่างมาเดินทางไม่รวมกัน ถ้ต่างคนต่างอยู่โยอมอตดิกามาตายก็มีความรู้สึกว่าพระบุตรของเราน่ากลัวจะทะเลาะกันซะแล้วไม่เดินรวมกันเมื่อวันก่อนมาพร้อมกันใช่ไหมมามาจากพระเจ้าวันนี้ต่างคนต่างมาจากป่าธุนทิตต์ทางไม่ร่วมกันเมื่อพระมาเสกกระถามว่าพระคุณเจ้าทะเลาะกันหรือจึงมาไม่พร้อมกันพระก็บอกว่าไม่ได้ทะเลาะกัน ญาติโยมก็ถามว่าเมื่อวันก่อนที่มาเท็สมาพร้อมกันแต่วันนี้ต่างคนต่างมาคิดว่าทะเลาะ ก, กันพระก็บอกว่าแตมามาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานเพื่อการตัดกิเลสแต่ว่าการอยู่ร่วมกันเป็นของไม่ดีต่างคนต่างยโยมเบล่งสงัดโ <c oughs> ยงก็ถามว่าการเจริญกรรมฐานเขาทำยังไงพระก็บอกว่าที่พระเจ้าทรงสอนมาให้สอนเจริญกรรมฐานหน้ า, าการสานิสัม ให้พิจารณาการสันนิษฐานมีผมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งร่างกายทั้งหมดมีตับไตไส้บอดและเรียกว่าการสันนิษฐานให้พิจารณาการสันนิษฐานว่า ม, มีสภาพสกปรกโสโครกไม่มีการทรงตัวว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาว่ามีการสกปรกโสโครกในใจสุประกำมันฐาน รู้ว่าการสานิสสองนี่เป็ น, น, ป น, น, ปน ก, า, ก า, ารจิตคตาหนุสติเป็นสมถะภาวนาทั้งคู่การรู้การเกิดขึ้นนั้นดับไปนี่เป็นมิปรสนาภาวนาให้ทําพร้อมกันคือว่าร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้นบอดรวมสรุปแล้วทั้งร่างกายมีแต่ความสุขปรกโสโครกทั้งนีมีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นนี้เบื้องต้นนั้นก็มีดามสลายตัวเป็นที่สุด เราไม่ควรจะ ย, ยึดถือร่างกายเป็นชนะเป็นที่พึ่งต่อไปเพายัางไงไงร่างกายก็ไม่ทรงอยู่ได้ในสุดก็ต้องตายเหมือนกันเ้าต้องหาที่พึ่งเทวินิพัน์เมื่อพระแนะนำบแบบแบบนี้โดยย่อโยมก็จําหลังจากนั้นโยมก็สมาทานอุโบสถสิง์เมื่อสมาทานอุโบสถสินห์แล้วก็ศึกษากรรมฐ า, านอาการฐานที่สองจากพระพระก็แนะนําให้ตามสมควร เพระฉันอาหารเสร็จคำว่าอาหารในที่นี้หมายถึง<ม>เพศัตในตอนเย็นเนยนมเป็นต้นนะพระก็กลับเข้าที่ปฏิบัติกรรมาฐานโยมก็ปฏิบัติตามเพียงแค่สองสามวันเพื่อกปไปโยมได้พระอนาคามีหรือปริชาติเองทำมากี่วันแล้วล่ะอย่าลืมว่าการสาริปสองเนี่ยกายคตานสติเป็นพื้นฐานตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไป ตั้งแต่พระนาคามีธราผลไม่ยมได้พระนาคามีพร้อมที่ไปสมิทายานแล้วก็ปัญญาสมาบัติได้พร้อมกันหมดนะได้พระนาคามีด้วยไปสมิทายานยัเข้าในตอนต้นเมื่อพระนาคาเป็นพระนาคามีก็ยังไม่ถึงพนาคามีไปสมิธายานยังไม่เข้าเมื่อได้พระนาคามีก็ได้ไปสมิทายานมีความฉลาดในธรรมแล้วก็ได้ปัญญาสมาบัติ ไม่ได้พิญญาสมาบัติพระมีสมิทายานแล้วโยงก็ไข้ครวญว่าพระบุตรของเราทุกองค์ที่มาจําเป็นสาหกสิองค์เวลานี้มีจิตบริสุทธิ์เป็นฌานสมาบัติได้เป็นพระอะริยเจ้าหรือยังก็ทราบโดยกําลังจิตไปสมิทายานและพัญญาว่าเวลานี้พระทั้งหมดยังไม่มีสมาธิทรงตัวยังไม่ได้ฌานโลกี โยมก็มาพิจารณาว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตที่อยู่ยังไม่สมบายพอหรือก็ทราบจากหลงพ่อจิตว่าที่อยู่สบายพอแล้วแล้วในการในสองคนเป็นที่สบายได้อย่างก็ทราบว่าคนที่สนับสนุนสบายพอแล้วก็พิจารณาต่อไปอาหารเป็นที่สบายไหมก็ทราบด้วยกำลังใจของเป็นสมิธายาณพัญญาว่าอาหารยังไม่เป็นที่สบายของพระทั้งหมด ดั้นโยมจึงสั่งบริวารทั้งหมดทา่าทํากับข้าวหลายอย่างที่มีรสเลิศทําหลายๆอย่างที่สมมติพระอาจจะต้องการใครต้องการอะไรก็เลือกเอาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, วเป็นเวลาในเพนก็<ม>ให้คนใช้ถือไปที่นั่นที่ไปชมพระแล้วก็ตีระรังพระก็เข้ามาไปชมกันเป็เวลาเพนพอดีญาโยมก็เลยบอกว่า ขอพระคุณเจ้าเลือกกับข้าวตามปฏิยาัยพระก็เลือกกับข้าวตามปฏิยาัยเป็นที่พอใจของพระต่อมาวันต่อมาปรากฏพระบางองค์อยากจะฉันอะไรมีความรู้สึกนึกว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเราได้ข้าวต้มก็จะดีแล้วถ้าได้ก๋วยวยก็ตามไหว้แกงได้กลับเปน็นก็ไรก็ตามโยมก็จะทอย่างนั้นไปทุกวันตามที่พระนึก ก็ลความว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพระมีอาหารเป็นที่สบายแล้วก็ปรากฏว่าไม่กี่วันนักพระทั้งหมดเป็นพระหันพร้อมเป็นสมิธายานนี่ความจริงเรื่องอาหารก็มีความสําคัญเมื่อที่เวลาออกพรรษาพระราพระเจ้ามาแค่สามเดือนแล้วบอกกับโยมว่าจะอยู่แค่สามเดือนก็ พระทั้งหลายก็ไปลายโยมกลับวัด เ, เร็วกลับปฏิหารไปเฝ้าพทธเจ้าโยมก็เพิ่อในญา ต, ติต่อมาพระก็ถามในโยมโยมรู้ใจคนเลยโยมก็ไม่ตอบในตรงบอกโยมบอกพระที่รู้ใจคนก็มีถมไปใช่ไหมตีคนเขารู้จริงก็พูดแบบนี้นะเขาม่ยอมรับก็เป็นอันว่าพระลาญาติโยมกลับ พอไปถึงพระเจ้าตามระเบียบพระเจ้าก็ถามว่าเธออยู่สุขสบายดีหรือที่อยู่สบายไหมร่างกายดีหรืออาหารบริโภควินาศบาทดีหรือพระก็ตอบว่าดีหมดแต่มาตอนพระพุทธเจ้าถานจบพระก็ตอว่ามีโยมคนหนึ่งเมื่อข้าพระเจ้าไปแล้วโยมก็รับรองว่าจะเลี้ยงะจะจะรังสาวโบสถตสินจะเจะเริยนจะจริญนสุธรรมธรมรมก็จริยกรรมฐาน แล้วต่อมาปรากฏเรามีความรู้สึกอะไรขึ้นก็มีความต้องการอาหารประเภทไหนเวลานั่งมันก็มีอกแห้งเหมือนกันใช่ไหมอยากจะใช้ข้าวต้มรุ่งขึ้นโยงก็ต้มข้าต้มมาอยากจะทำแกงแบบไหนต้มแบบไหนโยมทํามาตามทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระเจ้าบอกว่าโยมผู้หญิงคนนั้นได้พระอนาคา ม, มีพระปฏิสมิทธายานันย่อมรู้ใจคนทั้งหมด เมื่อพระผู้นั้นกล่าบทูลพระเจ้าเสร็จพระพระเจ้าหมดหธุระแล้วก็ลาเข้าที่พักที่อยู่ของตนต่อมาก็มีพระองค์หนึ่งองค์เดียวนะองนี้เข้ามาลาพระพเจ้าอยากจะไปอยู่ที่นั่นก็รู้ว่าโยมสงเคราะห์ดีพระพทเ จ, จ้าก็ทรงอนุญาตก็สอนกรรมาฐานตั้งแต่ต้นจนยันอรหันต์ต่อมาเมื่อมาถึงที่นั่นทราบข่าวมาแล้วว่าโยมรู้ใจคนทั้งหมด ใครมาถึงถึงกันด้กว่าไสลาหลังเนี่ยมันสกป ร, รกมันรกกรงรังพระไปหมดก็ไม่มีใครโยมไม่มีใครทําความสะอาดสลาหลังก็ใหญ่เราทําความสะอาดคนเดียวไม่ไหวอยากให้โยมใช้ใครมาช่วยกวาดสลาเอาเลไไม่เลยหลงพี่กิเลสมากเอาแบบนั้น่โยมนั่งอยู่ก็ บ, บ้านมีความรู้สึกว่ามีพระมาต้องการให้มีคนกวาดสลาโยมก็ส่งคนไปกวาดสลา มาพระก็นึกต่อไปพราเวลานี้เราก็หายน้ําอยากจะกินน้ําให้โยมส่งน้ํามาให้โยมให้คนถือน้ําสะอาดไปถไวายอยากจะฉันข้าวอยากฉันแกงฉันกับอะไรก็นึกในใจโยมก็ส่งถงวายต่อมาก็นึกต่อไปว่าอยากจะให้โยมถืออาหารมาพร้อมโยมมาเองโยมก็มาเองถืออาหารมาด้วย ก็เป็นการว่าท่านรู้ว่าโยมไม่รู้ใจคนจริงเขาเก็ถามว่าโยมโยมรู้จักความรู้สึกนึกคิดของคนหรือเขานึกอะไรโยมรู้หรือโยมก็แต่ตอบแบบก่อนบอกว่าคุณเจ้าเจ้าข้าพระที่รู้ใจคนมีเยอะไปพระก็บอกว่าจะมาไม่ได้ถามเรื่องคนอื่นถามหลพระถามว่าโยมในรู้ใจคนหรือโยมก็เลยตอบว่าคนที่ก็รู้ใจคนน่ะถมเถื่อไป คำว่าพระคนจริงก็ไม่ผิดนะโยมเป็นพระอนาคามีนะแล้วนั้นก็มา น, นึกในใจว่าเอไม่เป็นเรื่องเรายังเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นด้วยกิเลสอารมณ์คิดต่างๆที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นถ้ามีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นโยมอาจจะประนามไปก็ได้เมื่อโยมกลับไปแล้วพระก็หนีกลับโสวิหารไม่สู้ใช่ไหมไม่เก่งจริง เขาก็ไปถึงไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามว่าเธอทําไมไม่อยู่แล้วไม่สบายหรือเขาก็ตอบว่าอยู่ไม่ไหวอารมจะรู้ใจทุกอย่างข้าพเจ้านึกอะไรก็ตามไปให้ทำมาทุกอย่างตามที่นึกพระพุทธเจ้าบอกเธอจงอยู่ที่นั่นแหละพระบอกอยู่ไม่ไหวอารมณ์ใจไม่คุมไม่อยู่พระพุทธเจ้าจะบอกท่านกัลยบอกว่าเธอจะห้ามอะไรสักอย่างได้ไหมท่านบอกสักอย่างเดียวห้ามได้ ถ้าบอกห้ามใจก็ล้วกันนะใจอย่าคิดถึงอารมณ์ชั่วมีคนทรู้อารมณ์เราเป็นของดีเป็นการควบคุมอารมณ์ในพุทธเจ้าสมบัติเธอจงกลับไปที่นั่นก็ต้องไปเพราะเป็นคำสั่งใช่มพอมาถึงก็ตั้งท่าต่างๆคุมอารมณ์อย่างแ น, แน่คิดไม่ได้ที่คิดพระ ค, ความโลภอยากโวยก็ไม่ได้ยมรู้อยากโกรธก็ไม่ได้ยมรู้อยากลงก็ไม่ได้ ย, ย ก, ก็ยกรู้หมดก็เกียวโยตตมิ ก็ควบคุมอารมณ์ใจเ <c oughs> มื่อท่านต้องการอะไรายโยมก็ส่งไปให้ต้องการอาหารประเภทไหนก็ตามในที่สุดแค่เพียงสองสามวันเท่านั้นบปรลุอราหันต์เห็นไหยใ น, นการปฏิบัติกรรมาฐานอยู่ที่กลัวนิติ่งดีนะะใช่นะแต่กลัวมากเกินไปมันบ้าอย่างกลัวผีเนี่ยนะอย่างกลัวผีหน่อยๆ น, นี่ดีคุมใจดีแต่ถ้ากลัวเกินไปจ น, นไม่ไหว ในต่อมาก็ขอเล่าให้ตกไปเลยนะต่อมากระเพรา อ, อนั้นเมื่อไปหลานพร้อมไปสมมิธายานเพราะใช้โยมเป็นปัจจัยก็มารนึกในใจด้วยกาลังขั้นชันว่าโยมเนี่ยในชาตกิก่อนเคยเกื้อกูลเร า, ามาม้งไหมก็ทราบด้วยกําลังขั้นชันสมาบัติและพัญญาว่าในชาติก่อนโยมเนีเคยเป็นพัญญาเรามาเก้าถึงเก้าชาติ แล้วก็ทั้งก้าวเทีก้าชาติโยมสั่งประหารชีวิตเราทุกทีข่าเราตั้งบทก้าถึงข้าชาติดีไหมโชคดีก็อาศัยคบกับชายอื่นเมื่อท่านคิดอย่างนี้ก็เกิดพระประธานได้เกิดความสลดใจคามาเสียใจไม่มีเกิดใจสลดใจว่ายโยมม่ใจร้ายมากในชาติกิ น, ก, น ก, ก่อนเราคิดไม่เคยเกิดกูเราแต่เป็นไกลไกลเป็นเ็นพระเจ้าคาดไป ยอมอยู่ที่บ้านรู้ใจพระใช่ไหมนึกไม่ได้ไปสัมพิธายาเนยเว้นแต่เขาจะพูดําไม่พูดสมไมควรพูดแต่เขาไม่พูดยอมรู้ใจพระก็ยมก็เลยพิจารณาว่านอกจาก99ชาติเราเคยเป็นพัญญาเ่านี้เหมือนเปล่าก็ไปดูถึงชาติที่ร้อยให้อภัยไม่คาก็เลยพูดมาจากบ้านพูดจากทางใจท่านอย่าดูแค่99ชาติดูไปช า, ชาติที่ชาติที่รนะ้อยน่ะ ท่านตรวจอบจากการถูกฆ่าใช่ไหมพระนั้นก็รู้สิตัวใช่ชาติที่ร้อยไม่ได้ฆ่าถ้าเอาบิบมาพิจาราว่าขึ้นชี้ว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้เวลานี้เราก็จบกิจในพุทธศาสนาแล้วการอยู่ต่อไปไม่ได้เกิดประโยชน์นิพพานดีกว่าเลยตายแง่แก่นิพพานก็คือตายตายคือนิพพานตอนนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทฟังก็ถือเป็นพื้นฐาน เพื่อนอกจากภาวนาและรู้ลมหายใจเขาออกแล้วพอเริ่มจิตเป็นสุขก็มาดึกถึงร่างกายคือการสานิษฐ์สองคำว่าการสสนิษที่เราไปนั่งนับเป็นใช้เวลานานก็ <c oughs> ค, คิดว่าตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ผมลงมาถึงเบื้องต่ําสุดคือฝ่าเท้าแล้วตั้งแต่ต่ําสุดจากฝ่าเท้าก็ชึงถึงสูงสุดคือผม ทุกอย่างนี้เต็มไปด้วยความสุขเต็มเป็นไปด้วยความสุขปรกโศคลกไม่มีการทรงตัวแล้วก็ร่างกายทั้งหมดไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเสื่อมในแทมกลางมีการแตกสลายในที่สดถ้าเรายังมีความหวังเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปขึ้นยี่ว่าความทุกข์ประเภทนี้จะมีกับราตลอดเกิดชาติไหนก็มีความเป็นทุกอย่างนี้ทุกจากความเป็นเด็ก ทุกจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกจากความเป็นวัยการคนทุกทุกจากความเป็นคนแก่และทุกจากความเป็นคนป่วยทุกจากการประกอบกิจการงา น, นแสนยากไม่ที่สุดความตายก็เข้ามาถึงจะเป็นอย่างนี้ทุกชาติดินแดนแห่งใดที่มีความสุขจริงเทวาดาจะพล ม, มีความสุขจริงแต่เทว่าสุขไม่นานเอหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ อินแดนที่มีความสูส่ตลอดการตลอดสมัยนั่นคือ น, นิพพานเมื่อเห็นความเกิดขึ้นทั้งร่างกายความเสื่อมทางร่างกายความสลายตัวขางร่างกายก็ตัดสินใจว่าขึ้นชีวการเกิดเป็นมนุษย์ในร่างกายอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าร่างกายนิสลายตัวไปขึ้นชีว่ารกายที่มีอาการฐานทีสองอย่างนี้จะเป็นคนก็ดีจะเป็นสายก็ตาม หรือว่าจะมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเป็นทเนทวดาก็ตามนางฟ้าก็ตามพงก็ตามจะไม่มีในเราเราต้องการจุดเดียวคือ น, นิพพานหลังจากนั่นก็พยายามถวายทานให้ทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภพยายามควบคุมศิ่นไม่บริสุทธเป็นปัจจัยระงับโทสะความโกรธพยายามใช้เป็นยาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงรายการเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การพัดพลาดจากของรักของจมใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกจะมาจากการเกิดมีร่างกายแบบนี้แรงขึ้นจริงการเกิดมีร่างกายอย่างนี้จะไม่มีกับเราเขาพยายามให้ทานเป็นการตัดโลภความโลภพยายามเลิกษาสินแต่ให้เป็นเกตตัดโทสะความโกรธ ยามเจริญภาวนาให้ไปเหตตัดโมหะความหลงและจิตใจตั้งตรงไว้เพื่อนิพันธรทำอย่างนี้ทุกวันาการให้ทานส็แล้วแต่เวลานะแต่การสมาทานศีลก็ควรจะมีทุกวันเป็นการเตือนใจตนเอง <c oughs> การเจริญภาวนาก็ควรจะมีทุกวันก่อนจะหลับคิดว่าถ้าเราตายวันนี้คืนนี้เราขอไปนิพัน์ ถ้าตื่นมาแล้วคิดว่าวันนี้ถ้าบังอิญมาตายแเราขอปานิพันธ์ตั้งใจแบบนี้บรรดาแทนพุทธบริษัททุกคนทุกคนจะไม่พลาดนิพันธ์เวลานี้ก็หมดเวลานี้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอุตส่าหตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาธานเป็นกรรมฐาน